ท่านฝั่งที่เคารพคะท่านกําลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมม น, น, นาสนทนาทางสถานีวิทยุ f อฟเอ็ว FM ิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิญพระเกียรตินะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเมื่อผ่านจากช่วงของท่านมาร์คพระมาชาควโรวัดนาะพงศ์ตอนนี้ก็จะขึ้นอีสานไปเลยนะคะไปที่จังหวัดอุดรธานีไปพบกับพระพยัยบุ์อภิปุนโนวัดป่าดอนายโศก ค, คะ่ะ ในวัฒการคะท่านคะเชิญปอนค่ะช่วงนี้ที่วัดคงกะเตรียมกันเต็มที่สิคาที่จะคอยรับกรถินอ๋อก็มีการเตรียมการจัดสถานที่สถานท่าสําหรับรับคนที่คิดว่าจะมาจริงๆรับกระิ่นนี่ก็เป็นเรื่องของคราวาซะมากกว่านะมาว่าเนื่องจากคนที่ถวายผ้าก็จะเป็นคราวา่าแล้วก็การทําผ้าก็จะเป็นหน้าที่ของพระส่วนส่วนหนึ่งเป็นพร ะ, ะก็จะต้องมีการเตรียมการเรื่องผ้าเรื่องอ อุปกรณ์อะไรต่างด้วยก็มีบ้า ง, งที่วัดนี่ต้องมีการทำผ้าเองไหมคะตัดเย็บย้อมเนะะี่ยค่ะใช่ๆช่หฉันเห็นภาษาที่บอกว่าขีดประมาณผ้าพอเข้าใจนะคะซักผ้ากะผ้าตัดผ้าเข้าใจเย็บเนาเย็บทำลูกดุม ท, ทรารังดุ ม, มเข้าใจแต่พอมาถึงติดอ น, นะะุวาดเนี่ค่ะติดอะไรหรืคะอ น, นุวาคือชายผ้านะคือเหมือนกับผ้า คือผ้าสมัยก่อนเนี่ยตรงชายผ้าปลายผ้าเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นมันจะเป็นคุยๆออกมาใช่ไหมอย่างที่เราชายาเราตัดผ้ามันจะเป็นลุ่ๆออกมาตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีการติดผ้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่เก็บเอางั้นเถอะค่ ะ, ะเทคนิคตรงนี้ก็จะเป็นคนระแบบกันถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะขมวดมันเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ส อ, อันนี้ไอ้ตรงที่ขมวดเข้ามาเนี่ยมันจะใหญ่ไงใหญ่ประมาณสัก4นิ้วแทนที่ว่าจะเล็กๆอย่างเงี้ยนะ อันนี้จะพับเหมือนกับชายขาขั้นเกงเราพับเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็จะพับเข้ามาถึงสี่นิ้วแต่ใช้ผ้าคนละชิ้นไม่ได้ใช่ผ้าชิ้นเดียวกันค่ะอันนี่คืออนุวาตอ๋อเป็นเป็นวินัยเลยเหรอคะอันนี้ได้บัญญัติมาใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยพระก็ไม่ได้มีจุดนี้แต่เพราะว่าชายผ้ามันลุ่ยพระเจ้าจึงอนุญาตให้ติดส่วนนี้เข้าไปคือเป็นการโมดิฟาเพิ่มเติมอ่ะจากผ้าเดิมค่ะดิฉันชักสงสัยซะแล้วสิ ว่าสีนิ้วนี่มีเหตุผลอะไรพิเศษไหมคะท่านคิดว่าก็เป็นประมาณสักครึ่งคืบที่เพื่อที่จะให้มันพอประมาณเนาะหรือเป็นปเพื่อเป็นระเบียบเดียวกันก็วางไว้เลยว่าขนาดนี้กำลังพอดีอ๋ อ, อก็อไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันเรื่องของอขนาดค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็มีภาษาพระจำไว้ก็ดีค่ะคือวิธีการในการทำผ้าพอจะเก็บชายผ้าปุ๊บเนี่ยแทนที่จะพับไป แบบเราเย็บขากังเกงของเราก็ใช้วิธีที่เอาผ้าอีดผืนหนึ่งมาดามใช่แล้วก็ผ้าขนาดสี่นิ้วเรียกว่าเป็นการติดอนุวาดแล้วก็ติดรอบเลยนะติดรอบอเลยที่น่โอ้อาจจะมาคิดว่าอย่างนี้สี่นิ้วเนี่ยมันดีตรงนี้ว่าเวลาคืออย่างผ้าพระเนี่ยเวลามันจะขาดมันจะขาดตรงขอบขอ บ, ขอบก่อนขาดนี่คือเพราะว่ามันไปเสียดสีกับผิวหนังใช่ไหม <C å> ซึ่งถ้าเราเอาอนุวาดมาใช้ตรงนี้อนุวาดมันจะขาดก่อนเราก็เอาอนุวาดออกแล้วก็ปะอนุวาดก็ได้จะผ้าผืนใหญ่ผืนเดิมเนี่ยจะไม่เสียหายอ๋อคือเปลี่ยนที่เฉพาะผ้าผืนที่เป็นอนุวาดเอามาดามนั้นใช่ก็จะง่ายกว่าเปลี่ยนผืนใหญ่ค่ะเพราะว่าพระมีผ้าน้อยนะคะไม่เหมือนกับเราแฟชั่นอะไรออกมาก็เตมตู้ยหมดเลยก็ยังไม่ทันขาดมีของใหม่ละค่ะพระจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีผ้า ประจำตัวสักกี่ผืนนะคะพระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้มีน้อยที่สุดเนี่ยสาผืนค่ะนะถ้ามากกขา็ข้างมากก็ได้ไม่จำกัดละ่ะทีนี้ว่าอยู่ที่ว่าผ้านั้นใช้งานอะไรแต่ถ้าใช้งานอย่างน้อยที่สุดยังไงคุณก็ต้องมีสามคือผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าคลุมนะอย่างละผืนค่ะเท่านี้เองมีกำหนดว่าต้องมีจีวอ อะไรนะคะจีวรสบงสังคติอชนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งชุดผ้ากระไรอก็คือผ้านุ่งผ้าห่มผ้าคลุมอะถ้าพูดภาษาบ้านเราแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งชุดไม่งนั้นเถอะใช่มีได้กี่ชุดคะชุดเดียวอ้าวเหรอคะทําไมน้อยทางนะคะอ้าวก็อยู่พอดีเนาะคือถ้าถ้าไม่พอดีเนี่ยคือไม่ต้องมีเลยใช่ไหมสุดตรงข้างหนึ่งหรือสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็โอนี่เลยต้องเสื้อวอซาเชียงเกงด็อกเกอร์อย่างเงี้นะ ก็เลื่อนหลูอลังการไปอีกอย่างหนึ่งทีนี้ก็มีน้อยที่สุดเดี๋ยวพอประมาณก็เอาผ้ามาต่อๆกันสองสามผือนอย่างเงี้ยทีนี้พระบางรูปก็จะมีมากกว่านั้นนะเป็นใช้ในลักษณะผ้าอับน้าฝนนะหรือว่าผ้าปิดแผลผ้าปูนอนผ้าเช็ดตัวท่านก็จะมีเพิ่ ม, เ ต, มเติมตามหน้าที่อ๋อค่นะนะคะอันนั้นเป็นเรื่องอความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ พระสงฆ์ซึ่งเนื่องมาแต่คำที่ทีฉันสงสัยในเทศกาลกระถิงที่มีการทำผ้าในคำว่าอนุวาสทีนี้พอมาถึงตอนนี้ติดค้างเรื่องที่ท่านได้ให้คาถาเป็นบทสั้นๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาไปสาธยายว่าจะช่วยทำให้เป็นคนคลายจากการผูกเวรได้ถ้าหากสาธยายทมท่านก็ให้บทที่ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดามแล้วดิฉันก็ถามค้างไว้ว่าคถาที่ท่านให้บทนี้คือเป็นบทพุทธวจนะของพระพุทธองค์บทนี้เนี่ยดูสั้นๆเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดถ้าเปรียบเป็นยาแล้วก็เป็นยารักษาแผลเล็กแผลใหญ่แผลยังไงคะท่านคะคำนี้จริงๆเต็มว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา อันนี้เป็นคาที่เป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นกับพระโสดาบันเป็นโสดาบันเลยนะถ้ารู้ตรงนีคนะ้คือมีความเห็นถูกต้องละนะว่าไอ้ที่เกิดเนี่ยที่เกิดมาแล้วนะมันไม่ดับไม่มีที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีเกิดมาเมื่อไหร่หมาย ห, หัวไปเลยอันนี้ดับแน่นอนมีอันนี้ใช่ไหมดับแนใ่นอน ความรู้สึกในจิตเราใช่ไหมมันดับแน่นอนเด็กคนนี้เกิดมาใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องตายแน่นอนคนแก่คนนี้แก่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวตายแน่นอนนะเอา้าโทรศัพท์มีอยู่อ๋อเดี๋ยวพังแน่นอนสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเอ em, เอแล้วไอสิ่งที่เราจําอยู่ตรงนี้มันจะดับไหมดับแน่นอนเพราะมันมีเกิดเอาแล้วสติที่เรามารู้อยู่ตรงนี้ดับแน่นอนไม่ต้องห่วงเอาแล้วจิตที่เราเข้าไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นล่ะแน่นอนมันเกิดใช่ไหมมันต้องมีดับ ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะโอ้โหความทุกข์ที่จะหมดไปนี่เท่ากับผืนปัตภีถ้าเปรียบเทียบกับเศษฝุ่นติดปลายเล็บอมนหมายถึงความทุกข์ที่ยังมีอยู่เนี่ยเท่ากับเศษฝุ่นติดปลายเล็บนะความทุกข์ที่หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยเท่ากับผืนปัตตภีนี่คือคุณสมบัติของโสดาบันไม่ใช่คุณสมบัติหรอกเป็นความเห็นที่โสดาบันจะต้องมีนะ ค, คุณทําแบบเนี้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเป็น อ่าโสดาบได้อืมก็เท่ากับว่าถ้าสมมุติมีใครสักคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะท่องพุทธวจนะคือคําของพระพุทธองค์สาธยายธรรมเพื่อให้คลายจากการผูกเวรเนี่ยให้ท่องบทสิ่งได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ได้แล้วมันก็จะมีบทอื่นๆได้หลายบทอันนี้เป็นบทสั้นๆที่เรายกขึ้นมาที่อาตมายกบทนี้เพราะว่าเออมันเป็นเป็นเรื่องที่โสดาบันจะต้องทราบ ใช่ไมแล้วันก็สั้นจําได้อแล้วดิฉันอยากจะกล่าวเรียนฐานอย่างนี้นะคะดูเหมือนกับว่าการที่เราจะเห็นว่าอะไรมันเกิดอะไรมันดับเนี่ยถ้าหากว่าเห็นแบบแบบทางจิตอย่างที่พระพุโทโธงทรงปฏิบัติเนี่ยเราก็คิดว่าโอโ้ดิฉันเองก็ทําสมาธินะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะการที่จะให้เห็นเกิดดับในสมาธิบางคนก็บอกว่าจะเห็นจิตเกิดดับใช่ไหมคะอ๋อ ท, ทีนี้ ก็เลยจะกล่าวเรียนถามมาอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดว่าอ่าสิ่งได้มีการเกิดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเปรียบกับคนทุกคนต้องตายอย่างเงี้ยดิฉันว่ามันง่ายอืมอืมค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราปรงตกกับการตายของคนทุกคนตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะจะเข้าขายว่าเป็นโสดาบันได้ไหมคะเออก็ต้องทุกอย่างเลยนะสิ่งใดนี่หมายถึงทุกสิ่งเลยนะรวมทั้งตัวเราเองด้วย อ ย, อย่างเช่นว่าถ้าเราดูดูทีวีซีนามิเกิดที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอ้เราเห็นใจเขาโเห็นเกิดเห็นดับพอตัวเองโดนน่ะโอ้โหมันตึบเลยมันแกะไม่ออกทำไมเราเห็นแต่ความเป็นตัวของเราอันนี้ก็ของเรานั่นของเราอันนี้ก็น้ําท่วมนั่นก็ท่วมโอ้ยเป็นบ้าไปเลยอ๋อคือเหมือนกับว่าอ่าก็พยายามให้เห็นในทุกสิ่งว่า ม, มีดับได้อ่ามีผู้ดิเรกเลนท่านหนึ่งก็มาถามอาตมาก็บอกว่าเนี่ยเห็น เขาคิดอยู่เสมอเลยอันนี้นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเรานี่นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเขาก็มีความคิดอย่างนี้นะว่านั่นนข้างนอกทั้งหมดเลยนี่หลอดไฟไม่ใช่ของฉันเมียไม่ใช่ของฉันเงินไม่ใช่ของฉันแต่ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของฉันเอ๊ะแต่ตัวเราเขาไม่เคยเห็นวัตัวของเขาเองไม่ใช่ของเขาเนื่องมาจนกระทั่งเขามานั่งสมาธิพิจารณาลึกๆอ้าวตัวเราก็ไม่ใช่ของเรานี่พบว่าโอ้โหคนละเรื่องกันเลยค่ะคือเดี๋ยวฉันเข้าใจแล้วเพราอว่ากําลังนึกถึงว่าโอ้ ใครนะมาตีเราแรงๆเนี่ยคิดว่าทำใจได้แล้วนะว่าไม่ใช่ของเรา ม, มันจะเป็นของเราขึ้นมาทันทีเลยเองตีหัวฉันทำไ ม, มเพราะเมื่อไหร่มีตัวเรามีไอใช่ไหมมันจ ะ, ต, ะนนต้องมีของฉันมีฉันต้องมีของฉันมันจะมาคู่กันถ้าไม่มีทำยังไงคุณเอาของฉันออกไปเอาสิ่งทิ้งสิ่งนั้นทิ้งของทิ้งนั่นทิ้งนี่แต่ถ้ายังมีฉันนะมันยังต้องมีของฉันยังไงก็แล้วแต่ เพระนั้นที่วิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าพูดถึงก็คือว่าเอาของฉันนี่ก็ฉันเนี่ยตัวฉันเนี่ยก็ไม่มีไม่ใช่ของฉันนะก็คือถ้าไม่มีฉันเนี่ยก็จะไม่มีอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างนี้นะ<ม>อืมก็คือ<ม>สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะมีความดับไปเป็นธรรมดาให้ภาวนาไว้เรื่อยๆใช่อันนี้เป็นสมัยพระพุทธเจาวิปัสสีที่สมณโคดมได้เคยเล่าให้ฟังว่า พระผู้ชาวิปัสสีเนี่ยได้แสดงธรรมแล้วก็ชนเหล่านั้นก็เห็นธรรมตามนี้ก็เลยยกคถานี้มาให้ฟังทีนี้คํานี้ก็เป็นคําที่ท่านภาษารๅบุตรเนี่ยได้รู้ก่อนที่จะบวช ด, ด้วยซ้ำตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไปพบท่านพระอาสชิรับประทานาชานันบิณฑบาตอยู่ก็เลยเข้าไปคุยธรรมะด้วยเพราะท่านอาสชิแสดงธรรมแค่ประมาณสองบรรทัดนะความรู้นี้จึงได้เกิดขึ้นกับท่านภาษาฤๅบุตรซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวช นะว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือโสดา บ, บันเลยขนาดว่าสติที่เรามาใช้รู้ตัวนี้นะจิตที่เรามาใช้รู้ตัวนี้สติปัญญาดับหมดดับหมดมีแน่นอนพรนะพุทธเจ้าเคยพูดบอกว่าสติสติกับนามรูปเนี่ยก็ดับไปไม่เหลื อ, เ, ลอเพราะความดับไปแห่งวิญญาณ นะคือจิตเราดับไปเมื่อไหรนะ่ไอสติที่มันอยู่กับจิตความรู้อะไรต่างๆที่เรามันอยู่กับจิตมันก็ดับไปด้วยพ อ, <Okay. S 1> อดับลงตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นพระลานน ะ, ะคือความแตกต่างระหว่างคนที่มารู้ว่าอ๋อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคนรู้เฉยเข้าใจ <Okay. S 1> คือไม่ใช่จําได้นะคุณโยมติวอย่างที่เราพูดเนี่ยผ่านทางรายการวิทยุบางคนอาจจะแค่จําได้ แต่ถ้าคุณรู้เข้าไปในจิตตัวเองนะว่าตัวของเรานี่มันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือคุณจะถึงระดับที่เป็นโสดาบันแล้วทำได้หมดนะทำได้หมดทำได้จริงๆตามนั้นปล่ยวางได้จริงๆก็จะเป็นถึงพระอรันอย่างนี้ค่ะคือต้องรู้เข้าไปถึงในจิตไม่อย่างนั้นเถอะใช่ไม่ใช่ว่ารู้แต่ภายนอกถูกต้องถูกต้องค่ะโงั้นเป็นโสดาบันจะว่าไปก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะท่านคะเออไม่ยาก ไม่ง่ายใช่ด้วยแล้วก็ไม่ยากเกินเกินเกินที่เราจะทําได้นะครับพระเจ้าเคยบอกว่าถ้าก็ถามง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเอาตามที่พระเจ้าเคยพูดนะว่าเาถ้าในชีวิตเราเนี่ยเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนี่มันไม่ค่อยเที่ยงนะเห็นโทรศัพท์ว่ามันไม่ค่อยเที่ยงเห็นคอมพิวเตอร์เห็นโทรทัศน์อะไรต่างไม่ค่อยเที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเที่ยงมีความเห็นอย่างนี้นะอันนี้คุณเดินอยู่ในโสดาปฏิมากรแล้ว เดินอยู่บนทางที่จะเป็นโซดาปติผลแล้วค่ะเดินอยู่บนทางที่จะเข้าสู่เป็นพระโสดาบันแล้วอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลพูชาวางอีกค่ะคําว่ามักแปลว่าทางมักเป่าทางนะคะแปลว่าเดินอยู่บนทางเนื้อที่จะไปผลค่ะทีนี้อีกนิดนึงจากกรณีของคุณเจ้าของคําถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าตัวเองมีความทุกข์ที่เราพูดไปเมื่อวานเนี้นะค่ะคุณทั้งฝนค่ะคุณนั้งฝนที่พระเจ้าบอกว่าความทุกข์เนี่ยจะทําให้ เกิดผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถามเจ้าของคํำถามหรือท่านผู้ฟังว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตชันเนี่ยมันให้ผลอะไรกันแน่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี้คือ1นึ่นะจะเป็นผู้ร่ำให้ ก, กลําครวนทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพออันนี้ที่1นึนะคือแบบร้องไห้ฟู่มฟายแล้วมีความเสียใจเกิดขึ้นแหละหรืออย่างที่สองนะจะมีการสแสวงหาในภายนอกว่าจะมีผู้รู้สักคนใดคนหนึ่งที่จะหาทางแก้สักทางหนึ่งหรือ2 ท, ทางกับปัญหานี้ไหม ค่ะอ่าสองอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะที่ว่าเห็นทุกเห็นธรรมนี่เป็นประการที่สองถูกต้องค่ะก็จะหาสารณะภายนอกเพื่อที่จะหาทางแก้ของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองทางมีอยู่ดิฉันเองอยากจะขอเสริมท่านคือไปพบผู้ที่มาปฏิบัติธรรมออืแล้วก็เหมือนกับว่าก้าวหน้าดิฉันเข้าใจว่าเขาเก้าวหน้านะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าเขาก็รู้ตัวเขาเก้าวหน้าเขาก็พูดคําเนี้ค่ะว่า ถ้าเขาไม่มีความทุกข์แบบถึงที่สุดเนี่ยเขาก็จะพลาดโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมแล้วก็เดินหน้าตั้งหน้าตั้งตาที่จะอยู่บนมรรคเพื่อจะไปถึงผลอย่างว่านั่นแห ล, ละนั่นแหละอันนี้เขามาถูกทางถูกทางหาที่พึ่งได้ถูกต้องแล้วพบคําตอบที่ถูกสักหนึ่งหรือสองทางนั้น อือ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเกิดไม่เคยมีความทุกข์เลยเหรอคะท่านก็เลยหมดโอกาสหรื อ, อยังไงคะแต่ว่าไม่ทุกข์มากค่ะหายใจเข้าหายใจออกต้องกินข้าวทุกวันแล้วไปเข้าห้องน้ํานี่ก็ทุกพอแรงแล้วทุกพอแรงจริงจ<ๆ>แต่มันทุกแบบทุกแบบผิวพิเศษ น, นะคะ ม, มากคุณคุณนะไม่เห็นความทุกข์นี้มากมายใช่ไหม <c oughs> โหดจิตยังไม่เป็นสมาธิ ที่เห็นจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงได้นะจิตต้องเป็นสมาธิทีนี้เราไม่เห็นนี่ว่าเรากินข้าวทุกช้าไปเข้าห้องน้ํามันเป็นความทุกข์ขนาดไหนก็จิตคุณยังไม่เป็นสมาธิขนาดนั้นอ๋อคือแบบไม่ต้องทุกแบบเจนตายทุกอย่างนี้คือไม่จำเป็นพอที่จะไปถึงธรรมแล้วอย่างถูกต้องเล ย, อ เ, ลยเอาแค่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดขานั่นก็ทุกข์พอแรงแล้วค่ะแต่ว่า เวลาของเราก็ทําให้เรื่องของความทุกข์ต้องหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านคะนะคะ <laughs> ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านฟังแล้วก็น่าสนใจมากที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเอ๊ะทําไมแค่เราสบายๆนะีหิวข้าวแค่เนี้อยากเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยมันทุกถึงจะไปถึงทําได้เชียวหรือต้องมาติดตามจากท่านพิบูรณ์กันต่อในรายการสันสานิสนทนานี่ยและคะ่ะวันนี้ก็นามาสการขอบพระคุณท่านนะคะเดินทรพา น, านค่ะสนท่านุฟังนะคะ ปลายสัปดาห์ถ้าบ้านท่านไม่น้ําท่วมท่านไม่มีทุกข์ไม่กังวลแล้วอยากจะไปทอดกระถินที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันปยะมหาราชที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พิเศษเนี่แหะคะเราไปกันได้เลยตั้งแต่เช้านะคะสําหรับในวันนี้ก็คงจะบอกท่านทั้งหลายว่าหนังสือพุ้ทวจนะของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัฒนาป่าพงลำลนุ ก, กาคลองสิทธ์มอบมาให้วันละสามท่านก็ยังมีเหมือนเดิมคะ่ะเพียงแต่ว่าในวันบางวันอาจจะ ไม่ได้พูดถึงเพราะเวลาไม่พอที่เบอร์022690006เบอร์นี้ส่งคำถามมาก็ได้หรือว่าจะตรงไปที่เพ e ยวธรรม a .com/106 ที่ท่านไปบูล น, นะคะก็ได้อีกทางหนึ่งลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธวสวัสดีค่ะ